4. ปาจิตติยกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัน 1. ละสุนวัคสิกขาบทที่หนึ่งส อ, งอสถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ฉันกระเทียมณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาให้นํากระเทียมไปโดยไม่รู้จักประมาณ